ก็นั่งสมาธิกันก็คงไม่ได้อธิบายเลยมากเพราะว่าอธิบายมากก็จะฟังมากไปเราก็มัวแต่ฟังก็เลยลืมทำสมาธิก็เลยพูดน้อยที่สุดอันนี้ก็อเผอิญอพระที่มาที่จะมาให้แสดงธรรมให้ญาติโยมฟังวันนี้ไม่มา มาอธิบายต่อก็เป็นประเพณีหรือว่ า, าธรรมเนียมที่ที่เราชั่วโมงปฏิบัติเนี่ยเราก็ทำครบเขาเรียกว่าพิธีกรรมนั่งสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาแท้จริงแล้วเนี่ยนั่งสมาธิเนี่ยเขาต้องฝึกประจำทึกบ่อย อันนี้ก็จะแสดงธรรมต่อนะก็คงจะอธิบายว่าทําไมเราจะต้องทําสมาธิก่อนอื่นเนี่ยเราจะเรียนรู้ในพระธรรมคำสอนพระเจ้าเนี่ยต้องทําสมาธิก่อนเรายังไม่รู้ว่าตัวละครหรือว่าอะไรอยู่ในจิตเราเขาเรียกว่าฝึกให้จิตนิ่ง นิ่งทั้งทั้งทั้งที่ว่าอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยมากมายไก่กองแต่จำเป็นจะต้องฝึกให้นิ่งก่อนทั้งทั้งท like ี s <S <re> anyone, ่ว่าอารมณ์เน <hat legal> ี่ยท่ามกลางอารมณ์ที่มากมายไก่กองนั้นแต่การฝึกเนี่ยมันยากลำบากตรงที่ว่าอารมณ์มันเนี่ยมันมากอุปสรรคตรงที่อารมณ์ แต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าเราจะฝึกให้สงบเลยเนี่ยไม่ได้เลยก็หาวิได้ฝึกบ่อยๆก็สงบในท่ามกลางอันนั้นแต่ว่าสงบเนี่ยมันยากหน่อยเราต้องฝึกบ่อยๆตรงนี้เวลาฝึกไปฝึกไปฝึกไปจิตมันก็จะเปิดโอกาสให้เราเนี่ยเพราะเราเนี่ยไม่หยุดทําบ่อยๆทํำเรื่องๆก็จะชํชนานิชํานาญ เขาก็เปิดโอกาสให้เราสงบได้บ้างไม่ใช่ว่าไม่เปิดโอกาสเลยทีนี้ว่าจิตเราสงบลงไปเนี่ยเราก็จะเรียนรู้ความสงบนั่นแหละว่าจิตสงบลงไปเนี่ยมีความสุขมากจริงสงบลึกเข้าไปลึกเข้าไปสุขมากๆเลยเราไม่เคยพบไม่เคยพบว่าความสุขนี้อยู่ในตัวตัวจิตนั่นเอง เมื่อก่อนเราก็คิดว่าความสุขก็คือว่าจิตนี้ไปสวยอารมณ์อันใดที่ที่ตัวเองต้องการหรือตัวเองชอบข้างนอกเราก็เห็นว่าตรงนั้นคือความสุขแท้จริงเขาเรียกว่าสุขอยู่เขาเรียกว่าสุขทางโลกสุขกรรมะคุนทั้งห้าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิน่นลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัสอันนั้นเขาเรียกว่าความสุข อยู่ข้างนอกแต่ความสุขเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ยังใจให้เราเนี่ยสงบระงับเลยมันไม่สงบนั่นเองมันไม่สงบเป็นความสุขที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่อารมณ์วกวนตลอดความปรุงแต่งตลอดแต่ก็ยังเป็นวงแต่งที่ลักษณะที่ออกอาการให้ความสุขแต่ว่าสุขอื่นนอกจากอารมณ์เหล่านี้แล้วเนี่ยอยู่ตรงไหนล่ะ ก็ขอ v กมาตรงที่ว่าเราทําสมาธินั่นแหละเราจะเห็นว่าจิตเองเนี่ยความสุขอยู่ในตัวของเขาอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องอิงอาศัยอะไรเพียงแต่ว่าให้เราเนี่ยสงบลงไปเท่านั้นเองโดยการฝึกแล้วเราก็จะลิงรดความสุขอันเกิดจากความสงบอันนั้นตามฐานะแต่ความสุขอันนั้นเนี่มันตั้งอยู่เราเนี่ยชั่วครางชั่วข่าวเพราะ อารมณ์นั่นแหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เราเนี่ยอยู่ในความสุขนั้นนานไม่ได้แต่เรารู้จักรู้จักแล้วว่าความสุขนอกหนักจากความสุขกลางโลกเนี่ยเป็นความสุขภายในนั่นเองเรารู้จักตรงที่เราฝึกและจิตสงบลงไปความสุขอันนี้เองเป็นจุดประกายเริ่มต้นของการอยากจะได้ความสุขนี้มากๆเพราะเห็นแลวปลอดภยัย ปอดภัยเป็นความสุขในตัวของเราโดยที่ไม่ต้องอิงอาศัยอันไหนเป็นความสุขในในความสงบระงับตรงนี้แหละเป็นเหมือนเครื่องล่อเครื่องล่อชนิดหนึ่งให้เราเนี่ยอยากได้ขึ้นมาความอยากตรงนี้เองทําให้เราขวัญขวายที่จะต้องหาทางชนะอารมณ์เหล่านี้ได้ให้หมดเพื่อจะครองความสุขอันนี้อยู่ทายเดียว ตรงนี้คือจุดหมายของคนที่มาประพฤติปฏิบัติเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนเป็นเป็นเป็นเบื้องต้นแต่ว่าเราจะทํำยังไงล่ะมาถึงตรงนี้ว่าเราจะทํำยังไงเราจะชนะอารมณ์เหล่านี้ได้อย่างไดถ้าเราฝึก ส, สมาธินี้บ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยมากเข้ามากเข้ามากเ้ามากเข้า เราจะชนะอารมณ์นี้ทั้งหมดได้หรือได้แต่มันสับสนวกวนหน่อยหนึ่งเขาเรียกว่ามีทั้งสมถะได้วิปัสสนาสมถะก็แปลออกมาคือว่าความขม่มขีะระงับประคับประคองจิตนี้ให้ตั้งลงให้สงบโดยที่ไม่ต้องสนใจอะไร ฝึกบ่อยๆเขาเรียกว่าข่มขี่จิตเนี่ยให้สงบระงับได้เขาเรียกว่าสมถะคือบังคับจิตให้สงบแต่ ข, ขึ้นชื่อว่าบังคับแล้วนะแสดงว่ามันต้องมีอุปสรรคบางอย่างที่ก่อกวนก่อกวนจิตเนี่ยไม่ให้เปิดโอกาสให้จิตเนี่ยสงบถึงได้บังคับอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราจะทําลายอารมณ์ทั้งหมดเนี่ย เราก็ไม่ต้องบังคับจิตนี้ให้สงบได้ถ้าอารมณ์เหล่านั้นไม่มีแต่ถ้าเกิดว่าถ้าอารมณ์นั้นมีอยู่เราจะบังคับจิตให้สงบอย่างเดียวเนี่ยมันได้ชั่วครั้งชั่วคราวมันมันมันไม่ถาวรเขาเปิดโอกาสให้เราก็สงบได้ถ้าอารมณ์แรงเราก็ตั้งอยู่ไม่ได้ถ้าอารมณ์ค่อนข้างจะเบาหน่อยมันก็สงบได้ทีนี้ว่า ความสงบของเราเนี่ยฝากไว้ที่อารมณ์ว่าเขาจะเปิดโอกาสให้เราสงบได้เท่าไหร่บางคนมีความสงบมากๆไปเนี่ยโดนอารมโดนกระทบอารมณ์แรงๆไปแล้วตั้งดูไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะอารมณ์โน้นั้ น, นมันไม่ขาดทำยังไงจะอารมณ์ให้ให้ที่มีอยู่เนี่ยจะให้มันหายสาบสูญไปเลยโดยที่ว่าต้องทำลายอารมณ์ ถ้าเราทำลายอารมณ์ไม่ได้แล้วเนี่ยถ้าทำลายอารมณ์ทั้งหมดได้เนี่ยเราไม่ต้องตั้งสมาธิจิตนั้นก็จะเป็นสมาธิโดยอัตโนมัติถึงจะไม่ตั้งสมาธิหรือตั้งไม่สมาธิยังไงจิตนั้นก็คือจิตที่สงบระงับได้ฉะนั้นเขาเรียกว่าการทำลายอารมณ์นั้นจะต้องมีอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าวิปัสสนาค้นขวา ค้นคว้าให้แจ้งทําให้แจ้งค้นคว้าสิ่งที่ไม่รู้ให้รู้สิ่งที่มืดให้แจ้งสิ่งที่คว่ำอยู่ให้หงายขึ้นค้นคว้าอะไรเราอันนี้เราก็จะต้องเรียนรู้อีกก็คือคน้นคว้าเบญจขันร่างกายของเราเนี่ยว่าขัน คือรูปร่างร่างกายของเราเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือพูดไง่ายๆคือร่างกายอันนี้บางคนคนแก่ๆอาจจะไม่ค่อยได้เรียนรู้มาว่าเออยังไงเนาะขันห้าเอาฟังง่ายๆก็คือว่าร่างกายอันนี้เราต้องมาค้นจิตค้นดูตันี้สมถะเนี่ก็คือว่ายังจิตให้สงบไม่ต้องค้นคว้าอะไรแต่วิปัสสนาเนี่ยเพื่อจะไปฆ่าอารมณ์ตัวนี้ จะต้องค้นคว้าในร่างกายอันนี้ถึงจะแก้ได้ทีนี้ว่าก่อนอื่นเราจะทําอย่างไรล่ะก็ยังบอกเมื่อกี้นะบอกว่าก่อนอื่นเราต้องอยังจิตนี้ให้สงบก่อนให้รู้จากตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในจิตตรงนี้ว่าอ๋อตัวนี้แนหะจิตอันนี้คืออารมณ์อันนี้คือสติอันนี้คือ การที่เราจะประครับประคองอะไรเราต้องแยกแยะออกก่อนไม่งั้นไม่รู้ยุ่งอีดุงตุงนางหมดแล้วก็ให้เกิดจิตเนี่ยให้สงบเป็นตัวของเขาที่สงบลงไปเราจะรู้พื้นฐานหรือว่าสถานะเดิมของเขาว่าเมื่อสงบไปแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกอย่างไรให้ดูอาการแล้วก็ให้ให้อาการนั้นตามเป็นจริงขึ้นมาก่อนตัวนี้เป็นเราจะต้องรู้เป็นเบื้องต้น แต่ถ้าเราทำสมาธิทำสมาธิโดยที่ไม่พิจารณาร่างกายอันนี้เลยเนี่ยเราจะชนะอารมณ์นี้ไม่ได้เลยอย่างมากก็นิ่งนิ่งนิ่งนิ่งน่ ง, น, งนิ่งได้อยู่แต่มันขาดไม่ได้อารมณ์เนี่ยหลังจากนิ่งแล้วก็มีอารมณ์มาอีกแบบเราจะหนียังไงก็ไม่ผลอารมณ์อยู่นี้แต่จะมากจะน้อยขึ้นชื่อว่าอารมณ์นั้นมีอยู่อ่าฉะนั้นเมื่อเราจะทำลายอารมณ์ทั้งหมดได้เนี่ยเราคิดว่า เราคงจะมีความสุขมากเลยในโลกนี้เท่าที่เรามีความสงบอยู่เล็กน้อยเนี่ยเราก็เห็นว่ามันมีความสุขพอสมควรในจิตดวงนี้แต่ถ้าเราทําลายอารมณ์ทั้งหมดได้เนี่ยเราคงจะครองความสุขอันนี้ยิ่งใหญ่มากในชีวิตอันหนึ่งที่เราเกิดมาในโลกนี้นั่นแหละเขาเรียกว่านิพพานเห็นนิพพานเป็นเครื่องอยู่เห็นนิพพานเป็นเครื่องพ้นจากความวก่นวนต่างๆ คิดจะออกจากความปรุงแต่งความปรุงแต่งนี้เป็นเป็นธรรมชาติอันหนึ่งของโลกนี้ที่ทุกคนเกิดมาจะต้องถูกคอบงำด้วยภาวะอย่างเดียวกันแต่ถ้าเราเห็นว่าโลกนี้ดูดูวิธีฉายดูแล้วเนี่ยทำไปทำมามีแต่ทุกข์ทุกข์กับทุกข์แต่ถ้าคนไม่เคยทำสมาธิจะไม่รู้เลยว่าทุกข์กับทุกข์นี่คืออะไร เพราะเขาแยกแยะไม่ออกเพราะความสุขของการมมาผลทั้งห้าของโลกนี้ก็ยังประกบเขาอยู่เขาจะรู้ไม่ได้เลยแต่คนที่จะรู้ได้ก็คือคนที่มาฝึกกันมาเรียนรู้กันก็เริ่มรู้จักว่าอ๋อนี่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทำไปนามาวิณิฉัยแล้วโอ้ทุกข์มากชีวิตนี้คือทุกข์จริงๆแล้วก็เห็นความสง บ, บอนน้อยนิดตัวเองนั่นะถ้าเราได้อย่างเนี้ย ได้ตลอดทั้งอายุเราเนี่ยเราคงจะมีความสุขมากทีเดียวนั่นคือเป้าหมายที่เราต้องการคือต้องการก่อนแล้วก็สแสวงหาทางที่จะออกอก่อนอื่นที่จะพูดตรงนี้ก็คือว่าเราต้องจุดต้องรู้ว่าจุดหมายปลายทางที่สุด ข, ของการที่เราจะไปนั่นคืออยู่อยู่ตรงไหนถึงจะรู้ถึงจะรู้แบบคร่าว แต่ก็เป็นเรื่องที่ว่าเราตั้งความหวังแล้วตั้งจุดหมายไว้ว่าตรงนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องการเมื่อรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยพระองค์ก็ทรงสอนให้เราเนี่ยเอาจิตเนี่ยมาพิจารณาร่างกายของเราเนี่ค้นขวาถ้าเราจะชนะอารมณ์ทั้งหมดเนี่ยเราต้องค้นขวาในร่างกายอันนี้เพราะร่างกายเราเนี่ยเป็นมูลเหตุของความปิดบัง คือความไม่รู้ต่างๆนี่มากมายกายกองเราไม่เคยเอาจิตเนี่ยมาท่องเที่ยวในตัวเรานี่เลยเราจะรู้ความจริงไม่ได้เพราะจิตเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ว่าล่องลอยอยู่ข้างนอกมานุนนานแล้วเราหลับตาลงไปเนี่ยเรานึกถึงร่างกายของเราเนี่ยรูปพันสันฐานร่างกายของเราเนี่ยเป็นอย่างไร นึกถึงหน้าตาของเรานึกถึงคางคอตัวหัวไหลอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในตัวเราเนี่ยลองนึกดูเนี่ยเอาจิตสํารวจดูเนี่ยเรานึกไม่ออกเลยเรานึกไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเรานึกตัวเองไม่ได้เนี่ยเราก็นึกคนอื่นไม่ได้สิเปา่าคนอื่นนี่ชัดแจ้งหมดเลยแจ้งจนลำคาวนะ แจ้งคิดจะหนีมันชัดนึกถึงคนนอนคนนี้นึกถึงอารมณ์สารพัดเนี่ยมันแจ้งชัดหมดเลยทั้งทั้งที่เราอยู่ในภาวะอย่างไรมันก็แจ้งอยู่กลางคืนมันก็แจ้งกลางวันมันก็แจ้งอยู่ที่มืดมันก็แจ้งสว่างก็แจ้งจิตมันแจ้งข้างนอกแต่จิตดวงนี้มันไม่เห็นตัวตัวเราเป็นสิ่งเดียวที่จิตนี้รู้เห็นไม่ได้ การที่ไม่รู้เห็นสิ่งเดียวที่เราปกปิดอยู่เนี่ยนั่นแหละเป็นมูลเหตุของความไม่รู้แจ้งในโลกนี้ไม่รู้แจ้งในเป็นจกขันธ์นั่นเองฉะนั้นพุทธองค์ก็สอนให้เราเนี่ยเอาจิตมากําหนดรู้ที่เกษาโลมานขาทันตาตาโจรู้ว่าผมขนเล็บฟันหนังหรือว่าอาวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหมดตัวเราเนี่ยทั้งทั้งที่ว่า มันมืดๆนั่นแหละเราก็กำหนดรู้ว่าสมมุติความเห็นขึ้นก่อนว่ารูปพันธสัญฐานของเราเนี่ยรูปร่างอย่างนั้นรูปร่างอย่างนี้เอาจิตเนี่ยกำหนดรู้อยู่ในตัวของเราเนี่ยตลอดกำหนดผมว่าเราเนี่ยผมรูปพันสัญฐานเป็นอย่างไรคือทั้งหมดเนี่ยเราต้องการที่ว่าเราจะเห็นตัวเองให้แจ้ง ให้แจ้งเหมือนเราเห็นข้างนอกแล้วเนีะเราจะทำยังไงก็คือฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะเห็นตัวเองในแจ้งชัดเมื่อเห็นตัวเองแจ้งชัดด้วยจิตดวงนี้แล้วนั่นแหละนั่นแหละคือการแก้ปัญหาทั้งหมดอารมณ์ทั้งหมดจะถูกทําลายหมดเลยอารมณ์ทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยถูกทําลายหมดเลยด้วยความแจ้งอันนี้ ฉะนั้นความที่เรากำหนดไปเนี่ยดูมันมืดมนไปหมดเลยตัวเราเนี่ยแต่นึกคนอื่นเนี่ยเราแจ้งหมดเลยแต่ทำไมมืดตัวเรามันไม่ยุติธรรมเลยกับการที่ว่าจิตมันไปรู้สิ่งหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งไม่รู้สิ่งเดียวที่เราไม่รู้ใ่ตัวเราให้เองใก้ที่สุดกับเหมือนไกลเรากำหนดดูเนี่ยเหมือนเวิง้งว้างว่างกลางกว้างไปเปหมดมันเหมือนกับว่าจับอะไรก็ไม่ถูกเพราะอะไรเพราะไม่เคยทา เราไม่เคยทํามาก่อนจิตมันไม่รู้แจ้งว่าตัวเราเนี่คืออะไรแต่ความรู้ของเราตามทั่วไปเราก็รู้ว่าตัวเราก็คือเนื้อหนังเป็นอวัยวะน้อยใหญ่ที่เรามีรูปพันสันผานอย่างนั้นอย่างนี้เราเคยส่องกระจกเราเคยเห็นตัวเองอยู่แต่การเห็นนั้นไม่เพียงพอที่จะให้จิตเนี่ยได้ละกิเลสได้ฉะนั้นการเห็นด้วยตาของเราเนี่ยไม่มีอํานาจอะไรเลย ไม่มีไม่มีประสิทธิภาพอะไรที่จะให้เราเนี่ยชนะกิเลสได้เพราะตามันเห็นแต่จิตมันไม่ได้เห็นตามจิตเนี่ยไม่ได้เห็นตามตรงที่ว่าเรากาหนดจิต ด, ดูแล้วเนี่ยมันไม่เห็นตามันเห็นอยู่ฉะนั้นเราก็รู้ทั้งตรงที่รู้ว่าตัวเราเนี่ยจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพุทธองค์ก็ทรงสอนว่าความเกิดแก่เจ็บตายนี่็คือความทุกข์เราก็ยังไม่รู้ หรือรู้ก็รู้อย่างนั้นเนี่ยรู้รเท่าเทเท่านั้นเนี่ยแต่แก้อะไรไม่ได้เขาเรียกว่ารู้ตามสัญญาสัญญาคือความความรู้เป็นไปตามโลกโลกว่าเราสักวันหนึ่งเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องแตกสลายในร่างกายอันนี้ทั้งทั้งที่รู้เราก็ยังเหวมเกริมกิเลสต่างๆก็น้อยใหญ่ก็มากมายในจิตเราเนี่ยหาความยับยั้งชั่งใจไม่ได้เลยจึงเป็นเหตุว่าทั้งทั้งที่รู้เราก็หยุดคิดไม่ได้ หยุดเอาน้นหยุดเอานี่หยุดกดหยุดโลภหยุดหลงหยุดความปรุงแต่งของจิตย่งไม่ได้เราก็รู้ว่ามันไม่ได้อะไรแต่ก็หยุดความคิดไม่ได้ฉะนั้นความรู้ตรงนี้เนี่ยเป็นความรู้ที่ไม่มีประสิทธิภาพเราจำเป็นจะต้องเอาจิตตรงนี้เข้าไปรู้เข้าไปรู้ก็โดยที่ว่าเอาจิตกำหนดรู้อยู่ในเฉพาะร่างกายของเราวนเวียนท่องเที่ยวอยู่ในตัวของเราเนี่ยตลอดเวลา กำหนดแล้วกำหนดอีก ed, พิจารณาความว่าเราสักวันหนึ่งเราก็ต้องแก่สักวันหนึ่งก็ต้องเจ็บต้องตายนึกตัวเองตายเป็นยังไงนึกตัวเองแก่เป็นยังไงนึกตัวเองที่จะต้องสักวันหนึน่งเราจะต้องเข้าโรงพยาบาลเอาหมอผ่าตัดตรงนั้นผ่าตัดตรงนี้กีดตรงนั้นมาตัดตรงนี้ต่อตรงนี้ผลที่สุดซ่อมไม่ได้มันแก่เกินวัยหรือว่ามันมันมันมันจะพังแล้วอะซ่อมได้ก็ซ่อมรอดไป ซ่อมไม่ได้ก็คือตายเราพิจารณาค้นคว้าตัวเราเพื่อจะผลิตความรู้เห็นอันนี้ให้เกิดขึ้นอยู่เนืองเนืองมองแล้วมองเล่าเพ่งแล้วเพ่งแล้วพิจารณาแล้วพิจารณาเล่ากำหนดรู้กำหนดเล่าอยู่นั่นนันอยู่เนืองเนือจนจนถึงจุดจุดหนึ่งจนจิตเนี่ยค้นคว้าแล้วค้นคว้าอีกจนถึงจุดจุดจุดหนึ่งเนี่ย ไม่สามารถที่จะทนต่อการเพ่งมองของเราได้เขาก็จะเห็นตัวเองขึ้นมาทีละน้อยละน้อยละน้อยเห็นตัวเองชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาจากจุดใดจุดหนึ่งเราก็กำหนดรู้อยู่เห็นอยู่ตามภาวะความเป็นจริงอันนั้นแล้วก็ลุกลามไปทั่วสารพังลร่างกายทั่วตัวทั้งข้างนอกทั้งข้างใน เริ่มเห็นแล้วการเห็นนี่มองต้องมองบ่อยๆถึงจะรู้เห็นทำอยู่หนึ่งเงอย่าปล่อยจิตเนี่ยให้ออกข้างนอกอย่างเดียวทำกรรมาฐานทำทั้งยืนเดินนั่งนอนทำทั้งวันทั้งคืนทำตลอด24ชั่วโมงเว้นแต่หลับเพราะไม่ทำอย่างนี้แล้วเนี่ยสู้ไม่ไหวอารมณ์มันรั่วเยอะเราชนะไม่ได้ ฉะนั้นการที่จะเราจะต้องรู้คาําสอนพระูเจ้าต้องตั้งความเพียรมากมายเกี่ยวกับไม่ใช่ว่าเรานั่งสมาธิครั้งนี้เลิกแล้วก็เลิกกันไม่ได้ตรงนี้แค่เป็นพิธีกรรมขั้นตอนหนึ่งแท่นั้นเองเป็นพิธีแต่แล้วเนี่ยการกระทำํำจริงๆเนี่ยต้องสู้กันทั้งวันทั้งคืนคือความเพียรทั้งหมดสู้ตรงไหนล่ะสู้ตรงที่ว่าจิตหนึ่งจะคิดข้างนอกเราก็จะน้อมจิตตรงนี้มาดูร่างกายเรา สู้กันสิอารมณ์ก็จะดึงไปเราก็จะดึงมาจิตดวงเดียวแต่เกิดการแย่งชิงกันระหว่างเรากับอารมณ์แย่งกันไปแย่งกันมาแย่งกันไปแย่งมานั่นคือสงครามคือความเพียรแหลความเพียรตรงตั้งรูปตรงนั้นเลยว่านี่คือปฏิปทาหรือว่าความเพียรที่เราต้องทําแต่ว่าขึ้นชื่อว่าความเพียร เราเกาะติดสถานการณ์ต่างๆอยู่ตลอดเวลาเนี่ยไม่ลดละไม่ทิ้งความเพียรแล้วความพยายามตรงนั น, นยอยู่ตลอดเวลาเราสามารถที่จะชนะจิตตรงนี้ได้ด้วยความเพียรอันนี้คือคือกัดไม่ปล่อยว่างั้นเถอะสู้อย่างเดียวสู้เราไม่ปล่อยถ้าทำทำให้ต่อเนื่องทาให้ต่อเนื่องไม่ไม่หยุดหย่อนไม่ไม่ไม่หยุดระหวา่าง ทำทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเป็นเดือนเป็นปีไม่รู้อะนั่นคือการกระทำทั้งหมดที่เราจะชนะจิตตรงนี้ให้ได้ความเพียรต้องมากขนาดนั้นถึงจะสู้ได้ไม่งั้นสู้ไม่ได้แล้วเราก็จะเห็นตัวตัวเองเนี่ยชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาแล้วเราตั้งความเห็นตัวเองนั้นไว้เป็นเครื่องอยู่ของจิตตรงนี้ถ้าเห็นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราตั้งความเห็นตรงนั้นเนี่ยเป็นเครื่องจิตเครื่องอยู่ของจิตตรงนี้ แทนที่เราจะอยู่ข้างนอกเรากลับเอาเครื่องอยู่ตรงเห็นเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ฉะนั้นจิตเนี่ยอยู่ภายในก็เริ่มเป็นสมาธิขึ้นมาสมาธิก็ก็ก่อตัวจากจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยน้อยๆนี่ก็จะขึ้นจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้ น, นเป็นสมาธิทั้งเืนสมาธิทั้งเป็นความรู้แจ้งในสังขารร่างกายของเราเนี่ควบคู่ขึ้นมาทั้งสติทั้งปัญญาทั้งความเพียร ก็จะก่อร่างสร้างตัวเองนี้แก่กล้าขึ้นตามลาดับลำดับจนสว่างสวยัยเป็นสมาธิขึ้นมาทลีละน้อยละน้อยละน้อยจนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนจิตเนี่ยเห็นตัวเองนะตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเทา้าทั้งหมดเลยตลอดเวลาทั้งกลางคืนกลางวันเห็นข้างนอกไม่พอเห็นทะลุทะลวงถึงข้างไหนเห็นตับไตไส้พุงเห็นน้าเลือดน้าเหลือง เห็นอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหมดว่านี่หรือหลังเราอยู่เรามีอย่างนี้หรือจิตมันเห็นและสลดสังเวชมากว่าเราไม่มีอะไรเราในที่นี้เรานึกว่าตัวของเราเนี่ยเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวของเราเป็นเราแต่แท้จริงจิตไปเห็นเนี่ยจิตจะเข้าใจในตัวของเขาว่าเราหลง นึกว่าตัวของเราเนี่ยคือร่างกายอันนี้แท้จริงแล้วจิตเองไปเห็นแล้วเนี่ยไม่เห็นตัวเราเลยในร่างกายอันนี้เลยเป็นของว่างเปล่าเป็นของหาสาระแก่นสารไม่ได้เป็นของหลอกลวงเป็นหุ่นอันหนึ่งที่เรามาจับจองเอาอโดยการรู้เท่าไม่ถึงการของจิตดวงนี้เองฉะนั้นจิตตรงนี้ เ, เห็นความภาวะที่ว่าตัวเองหลง ยึดหลงถือมั่นยึดมั่นว่าร่างกายนี้คือตัวตนของเราก็เลยทำให้เกิดกิเลสน้อยใหญ่ตามๆ ม, มาเกิดมีความปรุงแต่งตามมาอย่างอย่างมากมายฉะนั้นเมื่อจิตเห็นตรงนี้แล้วจิตย่อมรู้สาเหตุของความปรุงแต่งทั้งหมดว่ามาจากจุดนี้เองมาจากตรงที่ว่าไม่เห็นตัวแล้วก็ยึดตัวนี่ว่าเป็นเราเป็นของเรา เป็นร่างกายของเราจิตไปเห็นตรงนี้แล้วย่อมมีความรู้ความเข้าใจและเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองใหม่ว่าที่เราเข้าใจมาก่อนๆ น, นั้นคือความหลงเห็นความโง่ในตนว่าเราหลงยึดหลงถือมั่นว่าร่างกายนี้คือเราแท้จริงไม่มีอะไรเมื่อจิตเห็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ารู้แจ้งรู้แจ้ง รู้แจ้งในพระธรรมคำสอนพระเจ้าว่าร่างกายสังขารหรือเบญจขันธ์เนี่ยไม่มีตัวตนไม่มีอะไรไม่มีแก่นสารเปียบเหมือนต้นกล้วยเห็นเป็นต้นอยู่บุคคล น, นั้นแกะออกจากแกะกากกล้วยนั่นแหละออกไปทีละน้อยละน้อยผลีนสุดหมดไม่มีแก่นอะไรในในต้นกล้วยอันนั้น เป็นต้นก็จริงแต่ว่าหาแก่นสารไม่ได้ในที่นั้นร่างกายนี้ก็เหมือนกันว่าตัวของเราทั้งหมดนี้ประกอบกันอยู่ผมคนเล็ดฟนหนังอวัยวะน้อยใหญ่ ท, หทั้งหมดที่ประกอบกันอยู่นี้ล้วนแล้วแต่ไม่มีอะไรสิ่งที่มีอยู่กับเป็นของที่ว่าถูกอวิชชาี้ ห, ห่อหุ้มคือความไม่ดูนี่ ห, ห่อหุ้มปิดบังเอาไว้ เมื่อจิตไปเข้าใจตรงนี้โดยที่จิตเองเป็นผู้รู้เห็นเองแล้วก็เอาความเห็นตัเองนั้นเป็นพยานว่าเรามีแค่นี้แหละจึงได้เกิดความสลดสังเวชเบื่อหน่ายคลายความยินดีในตัวเองออกว่าเราไม่มีอะไรดีในร่างกายอันนี้ขณะนั้นจิตเนี่ยเบื่อหน่ายคลายความยินดีในตัวเองออกเท่าใดนั่นหมายถึงจิตต้องเบื่อหน่ายโลกโดยความเป็นโลกนี้ออก เท่านั้นจิตเบื่อในายคลายความเป็นโลคนี้ออกเท่าใดนั่นหมายถึงอารมณ์ที่เรามีอยู่อย่างหนาแน่นนั่นแหละมันก็จะละวางล ง, ล ง, ลงวางลงวางงได้เท่านั้นตามมาด้วยฉะนั้นเราเริ่มเห็นจุดนี้ว่าสักวันหนึ่งเราต้องชนะอารมณ์นี้ให้ได้ได้แน่นอนมีความหวังแล้วเพราะเรารู้สาเหตุว่าอารมณ์นี้มาจากตรงนี้เอง อารมณ์ที่เราคิดมากมายไก่กองเนี่ยเราไม่รู้มมาจากไหนผุดขึ้นผุดขึ้นอย่างน้ำน้าพุเราไปเห็นตรงนี้เองเราถึงจะรู้สาเหตุของมันว่าจิตที่เป็นอารมณ์ทั้งหลายเนียมีเหตุของเขาอยู่มีเหตุการณการเกิดของเขาอยู่เขาเรียกว่าธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุนั่นเองเราก็ไปดับที่เหตุตรงนี้แหละว่าโดยให้จิตไปรู้แจ้งเมื่อจิตเนี่ยรู้แจ้งตัวตัวของเราเองว่าไม่มีอะไร จิตก็จะเห็นพฤติกรรมของตัวเองว่าเคยหลงในตัวเราเนี่ยว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยพร้อมกับขายความยินดีออกการขายความยินดีนี่เราไม่ได้เจตนาแต่เพียงแต่ว่าเรานำพาจิตนี่ไปดูไปให้ไปรู้เห็นจิตเนี่ยมันไปรู้เห็นแล้วเนี่ยจิตเขาจะเบื่อหน่ายแล้วขายความยินดีออกของเขาเองโดยที่เราไม่ต้องบังคับนั่นแหละเป็นภาวะที่แท้ของจิตเนี่ย เขาขายของเขาเองดังนั้นจิตเนี้ขายความยินดีเราตัวของเรามากเท่าใดมากลงไปมากไปความปรุงแต่งก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงผลที่สุดความรู้แจ้งอันนี้แจ้งมากขึ้นมากขึ้นพร้อมกับสมาธิมากมายก่ายกองขึ้นมาสติสมาธิปัญญาเกิดในที่นั้นจนรู้แจ้งในสภาวะตัวเองนี้แจ้งชัดมากทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีเวลาน้อยเดี๋ยวที่ไม่รู้เลยนะี่ไม่มีเลย แม้แต่วินาทีหนึ่งเนี่ยไม่รู้เห็นไม่มีเป็นเครื่องอยู่ของคนนั้นตลอดทั้งกลางวันกลางคืนสว่างสวัยอยู่นั่นแหละความปรุงแต่งทั้งหมดเนี่ยถึงข่าวยุติชนะดับไม่เหลือด้วยความรู้แจ้งอันนั้นทีนี้ว่าจิตเนี่ยชนะความปรุงแต่งอันนี้แล้วเนี่ยความสุขที่เราตั้งไว้ว่าเมื่อก่อนว่าทายังไงหนอจิตเรานี้จะสงบ ระงับและเราถึงจะมีความสุขมากคิดว่ามันต้องมีความสุขเราก็ถึงที่สุดแล้วตรงนั้นตามที่เราต้องการเอาไว้เราก็ถูกสู่ภาวะที่ว่าจิตหนึ่งเดียวคือชนะอารมณ์นะนั่นแหละทฤษฎว่าการชนะอารมณ์ครั้งนี้เนี่ยเป็นการชนะขาดไม่ได้หวนกลับมาอีกเลยกลายเป็นว่าจิตนั้นจิตหนึ่งเดียวตลอดไม่มีอารมณ์ เพราะอารมณ์ถูกทำลายหมดแล้วทั้งชีวิตของคนคนนั้นเนี่ยจิตหนึ่งเดียวตลอดไม่มีการหวนกลับที่ว่าอารมณ์จะมาอีกเพราะรู้แจ้งว่าโลกนี้ตามเป็นจริงว่าอนัตตาไม่มีตัวตนอะไรถึงได้วางโลกไว้แล้วก็ไม่ไม่เอาอะไรเป็นอารมณ์เพราะรู้โลกนี้ว่าไม่มีอะไรที่จะเอาเป็นอารมณ์ก็เลยวางความอารมณ์ไว้จิตก็เลย เป็นผู้หลุดออกจากภาวะอารมณ์นั้นโดยเอกเทศคือเป็นหนึ่งอยู่เสมอ น, นั่นแหละเขาเรียกว่านิพพานการชนะครั้งนี้เนี่ยจิตจะไม่หวนกลับไปอีกความเป็นหญิงเป็นชายความเป็นกิเลส ต, ต่างๆน้อยใหญ่ทั้งหมดถูกทำลายซะแล้วด้วยการรู้แจ้งในจิตเรานั่นเองอันนี้ก็คือว่า ผลทางที่เราจะไปสู่จุดสูงสุดคือความค้นจากโลกนี้ด้วยการเอาจิตเนี่ยค้นจากอารมณ์ถ้าเราจะคิดว่าเราจะชนะอารมณ์โดยการทำสมาธิถ่ายเดียวเนี่ยชนะไม่ได้เดี๋ยวสงบเดี๋ยวก็ไม่สงบพรุ่งนี้วันนี้สงบพรุ่งนี้ก็ไม่แน่แต่ว่าเราไปรู้แจ้งเนี่ยจบ เขาว่าอารมณ์ไม่มีไม่มีเผอแม้แต่วินาทนีจิตนั้นหนึ่งเดียวก็กลายเป็นผู้ที่อยู่โลกนี้โดยที่ไม่ยึดติดอะไรในโลกนี้โดยที่อารมณ์ไม่มีเลยในโลกนี้หมายถึงว่ามันมันไม่มีอารมณ์พ่อถูกทําลายซะแล้วนั่นแหละเราจะถึงเป็นผู้จิตอิสระไม่ข้องเกี่ยวอะไรเข้าใจไหมฟังมันง่ายเนาะ คือเราไม่ได้ว่าทําสมาธิเนี่ยเราไม่ใช่ว่าทําสมาธิก็อยู่แค่นี้ไม่ใช่แต่ว่าเราไม่มีเวลาอาธิบายจําเป็นจะต้องให้ทำสมาธิไปก่อนแล้วอธิบายทีหลังถ้ามีเวลาถ้าไม่มีเวลาก็คือเราเป้าหมายเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นแหละเราแค่ เ, เริ่มต้นแต่ว่าการกระทําของเราเนี่ยที่สุดเนี่ยจะต้องเป็นอย่างนี้ นั่นแหละเขาเรียกว่านิพานนิพานคือความที่เราหลุดออกจากภาวะเครื่องพันธนาการคืออารมณ์น้อยใหญ่ทั้งหมดเนี่ยโดยไม่ขึ้นตรงต่ออารมณ์เหล่านี้อารมณ์เหล่านี้ถูกเราทำลายซะแล้วคือทาลายอวิชชาคือความไม่รู้ น, นั่นแหละออกกลายเป็นผู้ที่ไม่มีอะไรเป็นอารมณ์จิตนี้ก็ไม่ไปไม่มา ไม่ขึ้นไม่ลงหนึ่งเดียวอยู่นล้วยันวันตายตายไปก็จิตไม่ออกจากตัวเลยจิตไม่ไปทางไหนไม่ต้องประคองไม่ต้องประคองจิตมันเป็นอันตโนมัตินั่นแหละถ้าฝึกมากๆ ก, ก็จะเป็นอย่างนั้นใหม่ๆต้องประคองอยู่เลยประคองอยู่เลยแต่ว่า ท, ทําไปทําไปแก่กล้าไปก็ไม่ต้องประคองไล่ไปก็ไม่ไป จิตมันกลัวกลัวอารมณ์ซะแล้วว่าถ้าเอาก็โง่สิเห็นอารมณ์นั่นแหละเป็นของโง่สําหรับตัวเองมาก่อนถ้าไม่รู้แจ้งอย่างนี้เนี่ยไม่ได้เลยเขาเรียกว่าวิปัสสนาสมาถะควกบกับวิปัสสนานั่นแหละคู่กันเราจะเดาเออกก็ไม่ได้เดาเอาก็ไม่ไม่ชนะจิตตรงนี้สิความรู้อะไรที่เราเรียนมาเนี่ย รู้แต่ไม่เกิดผลช่วยไม่ได้ทำไม่ได้ไม่ไม่เป็นไม่ไม่เป็นรูปของการทำได้แต่ถ้าเรารู้และทำให้เกิดผลให้เกิดเป็นเป็นตัวจริงขึ้นมาตัวตัวปฏิบัติขึ้นมาเราถึงจะชนะได้ถ้าเห็นตัวเองเนี่ยเห็นตัวเองประดุดดังซากศพเนี่ยเห็นทั้งข้างนอกข้างในเห็นตับไตเส้นปุงเนี่ย ทำไปทำมาเหมือนกับแบกศพนั่นเองตัวเองเนั่นแหละแบกศพตัวเองเห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองเห็นปฏิกูลเห็นอวัยวะน้อยใหญ่อยู่ตลอดเวลาจึงเกิดเห็นแล้วแล้วเล่าเล่าเห็นแล้วแล้วเล่าเล่าเห็นจนจำเจเห็จนจนเป็นเครื่องอยู่จนจิตนี้ทนต่อการที่จะที่จะไปคว้าอะไรเป็นอารมณ์เนี่ยไม่ได้จะจะเป็นต้องคายอะ่ะ จำเป็นต้องขายความเป็นอารมณ์นั่นออกเห็นเราก็รักษาไว้รักษาเพื่อให้จิตเนี่ยบีบบังคับให้จิตเนี่ยขายอารมณ์ออกให้หมดว่าดูที่ตัวเรานี่มีอะไรมันก็เห็นสาธาติแท้ของตัวเองว่าโอ้เรานี่มีแต่สิ่งปฏิกูลมีน้ําเลือดน้ําเหลืองมีอวัยวะน้อยใจมีตับไตไส้พุงพูดง่ายก็มีแต่โมดแต่พูดหน้าเบื่อหน่ายหน้าคลายความยินดี ไม่มีสาระอะไรร่างกายอันนี้จิตเห็นอย่างนั้นแล้วจนจนให้จิตบังคับจิตให้เห็นตลอดจนจิตเนี่ยทนต่อการเห็นไม่ไหวแล้วเบื่อหน่ายเขาจะเบื่อหน่ายของเขาเองว่าไม่มีอะไรดีร่างกายนี้มีแต่เน่าเหม็นเบื่อหน่ายนั้นเนี่ยถึงจะคลายความเป็นโลกนี้คลายความเป็นอารมณ์ออกความไม่เบื่อหน่ายนี่ไม่สามารถที่จะชนะ อะไรได้เลยนอกจากจะยินดีอยู่นั่นเองเหมือนกับของภายนอกเนี่ยเราได้ของมาชิ้นหนึ่งเนี่ยถ้าเราเบื่อแล้วไม่อยากได้แล้วของนี้เราก็ไม่อยากได้แล้วก็ต้องปล่อยไปทิ้งไปให้คนอื่นไปถ้าตราบใดของนี้ไม่เบื่อในแายเราก็ให้ใครไม่ได้ตราบใดที่เราไม่เบื่อหนายสังขารร่างกายนี้เราจะสละอารมณ์ไม่ได้เลยไม่ได้เลย แต่พิจรณายังไงมันไม่แจ้งพอเนี่ยไม่มีทางเบื่อหนายจะเบื่อนายยังไงเนี่ยจิตไม่แจ้งก็ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เป็นเหตุที่จะชนะความปรุงแต่งได้ฉะนั้นความปรุงแต่งเนี่ยจิตต้องไปรู้เห็นเองว่าเหมือนถึงจะชนะเราจะรู้ด้วยความรู้หรือ ร, รู้ด้วยสัญญาที่เราเคยรู้ว่าร่างกายของเราไม่มีอะไรดีรู้อย่างนี้เนี่ยพอไม่ได้ถึงเราจะไปรู้ด้วยตาของเราว่าอ๋อเนี่ยสมมติว่า เราเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นเห็นคนป่วยว่าเนี่ยคนเรามีแค่นี้นะช้ำแหละดูว่ามนุษย์เรามีแค่นี้เห็นอย่างไรก็ละไม่ได้พ่อเห็นด้วยตาเราจะเอาตาได้ไปเห็นคนตายเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บก็เห็นละไม่ได้เลยแต่เป็นเป็นตัวอย่างได้ แต่จิตดวงนี้เนี่ยไปเห็นตัวเองเท่านั้นเองมันไม่เหมือนกับว่าจิตเนี่ยไปเห็นคนคนตายเนี่ยอย่างหนึ่งแล้วจิตนั้นไปเห็นตัวเองตายนี่อย่างหนึ่งความรู้สึกไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเราไม่เคยรู้สึกอย่างนั้นด้วยเพราะไม่เคยทำถ้าจิตดวงนี้ไปรู้เห็นตัวเองเท่านั้นเองทุกอย่างต้องคล้ายหมดคล้ายหมด ความเป็นหญิงเป็นชายความความยึดมั่นถือมั่นจะคลายออกหมดเลยไม่มีอะไรดีตัวเราเราก็รู้ว่ามันไม่มีอะไรดีนะแต่จิตมันไม่เห็นมันเลยไม่ยอมเราไม่ยอมเราเราก็รู้ว่าคิดไปทำไมเนี่ยก็รู้ว่าคนเราไม่มีอะไรคิดไปทำไมมันไม่ยอมเพราะมันไม่แจ้งเองตัวเขาเขาไม่แจ้งแต่เราก็รู้ว่าเราต้องตายแต่จิตมันไม่รู้มันไม่เคยมันไม่เคยเห็นมันไม่เคยรู้ ดันั้นต้องเอาจิตเนี่ยไปพาให้ไปเหตุเองมันถึงจะคลายคลายเนี่ยเราไม่ต้องบังคับมันจะคลายของมันเองเพียงแต่ว่าพาไปให้ไปรู้เห็นเขาก็จะคลายลงคลายลงคลายลงคลายล ง, ายลงอารมณ์ก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงเหือดแห้งแห้งจริงๆไม่มีอะไรเป็นอารมณ์หนึ่งเดียวไม่เผลอไม่ไปซ้ายไม่ไปขวา จะหลับจะตืนสบายไม่มีอะไรเป็นครือกังวล น, นั่นแหละชนะขาดแล้วจิตที่จะทำไม่มีไม่ต้องภาวนาก็ไม่ไปไล่ไปก็ไม่ไปไม่เอาหรอกกลัว <c ười> จิตดวงเดิมนั่นแหละดวที่คิดค ด, ดึกๆึกนั่นแหละฝึกไปแล้วมันก็อีกอย่างหนึ่งไม่ฝึกก็อีกอย่างฉะนั้นการฝึกจิตนี้เป็นของที่เราสามารถที่สุดได้ จากตัวเราที่เองไม่ต้องรอชาติโน้นชาตินี้มันยาวไกลเหลือเกินเนี่ยภาวะปัจจุบันเนี่ยทำไปฮะรู้เห็นในชาตินี้แหละไม่ต้องไปรอเลยว่าเราจะชนะจิตดวงนี้ได้อย่างไรขออย่างเดียวความเพียรความเพียรมากๆ ม, มากที่สุดทำทั้งวันทั้งคืนทำต่อเนื่องด้วย เดี๋ยวก็รู้ชนะได้ก็นอนเป็นสุขจิตใจก็สว่างสะไวถึงชนะแล้วเนี่ยเราก็ไม่ใช่วัดทิ้งความเห็นนั้นใช้ตัวเราเราไม่ต้องเห็นแล้วไม่ใช่เขาจะเอาความเห็นนั้นเป็นเครื่องอยู่ของจิตตรงนี้เขาเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะมีความรู้แจ้งนั้นตลอดเวลาถึงละแล้วก็จะแจ้งถึงมันเนี่ยแจ้งมาก จิตนี้แจ้งแล้วในะยิ่งกว่าตาเรานะชัดยิ่งกว่าตาเราเอีกตาเราในสู้จิตไม่ได้หรอกจิตนี้ชัดมากจากที่มืดๆนั่นแหละฝึกบ่อยๆก็จะแจ้งขึ้นนั่นแหละเราสามารถที่จะรู้ว่าอ๋อความคิดคว า, ามนึกคว า, ามปรุงแต่งคนเรานี่มาจากตรงนี้เองฉะนั้นทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุ พระศาสดาแสดงเหตุของธรรมนั้นและความดับของธรรมนั้นอันนี้คือธรรมะที่พระอัชชิแสดงกันภาษารีบุตรแต่คนมีปัญญานะจิตนี่รู้เลยว่าอยู่ตรงไหนเผือสร้างสมบา ร, รมีมากพอที่จะรู้ก็เลยแป๊บเดียวนะรู้เลยแต่เรานี่ยสิบา ร, รมีมันน้อยต้องเพียนเก็บหอมรอมลิบทีระบาททีลสลึง กว่าจะเตเราก็ต้องทำจำเป็นจะต้องทำซะแล้วเพราะาเราคิดหรือว่าถ้าเราอยู่ในโลกนี้โดยที่เราชนะอารมณ์นี้ไม่ได้เราคิดหรือว่าเราจะหาความสุขจากจิตนี้หน้าที่ไหนแต่คนที่ไม่ฝึกเนี่ยก็ไม่รู้นะบอกเขาก็มีสุขอยู่แล้วเพราะาเขาเขาอยากไปที่จะรู้ตรงนี้แต่คนที่ฝึกมาเนี่ยคนที่ไม่เคยฝึกเนี่ยเขาอยาก เขไม่รู้หรอกว่าความสุขนี่มีแต่คนที่ฝึกมาบ้างแล้วนั้นจะเห็นว่าจิตคิดนี่ทุกข์มากเลยมากไม่รู้จะอยู่ตรงไหนเลยอะ่ะไม่รู้จะวางไว้ตรงไหนให้มันหายคิดเนี่ยวางไม่ถูกสับสนวกวนตั้งตรงไหนก็ไม่ได้แล้วก็คิดหรือว่าเราชีวิตที่เราจะมีความสุขจากจิตตรงนี้มันทะเลาะกับเราตลอด เราก็จิตนี่ไม่หลงเอ่ยกันเลยจะเถียงกันตลอดจิตก็จะเอาอยัางโน้นตามภาษาของเขาจะดือ้อจะลั้นจะเอาแต่สิ่งที่เร็วซามต่ำช้าทั้งหมดเราก็พยายามจะเขียนให้เขาดีแต่ความดีที่เราพอจะมีก็ถูกจิตนีดึงลงไปอีกถ้าร่วมกับเขาเราก็สร้างเรื่องสร้างราวขึ้อีกไม่เชื่อเขาก็ทะเลาะกับเขาตลอดทำไปทัป้งวันทั้งชีวิตเนี่ยทะเลาะกับจิตดวงเดียว คิดหรือว่าเราจะสุกตรงไหนล่ะแต่ถ้าเกิดว่าจิตเนี่ยไปรู้แจ้งเห็นสังขารของเราเนี่ยไม่เที่ยงไม่มีอะไรแก่นสารจิตนี้หลงเอ่ยกับเราไม่มีการทะเลาะกันเลยเงียบราบเรียบอาโกศลต่างๆถูกทําลายหมดไม่มีการทะเลาะไม่มีการขัดแย้งกันเลยแม้แต่นิดว่านอนสอนง่ายหยุดนะอย่าไปนะหยุดเลยอย่าดื้อ น, นะไม่ดื้อเลย น่ารักมากจิตตรงนี้เขารู้แจ้งก่อนเขาถึงจะเป็นคนดีได้เขาตราบใดเขาไม่แจ้งเนี่ยเขาจะเลออื่อยอยู่ตรงนั้นเนี่ยจะไม่มีวันที่จะดีมีทางเดียวก็คือฝึกฉะนั้นคําสอนของพระเจ้าถึงได้ว่าเป็นสารถีที่ฝึกบุรุษไม่มีใครที่ยิ่งใหญ่กว่าคําสอนพระเจ้าฝึกให้จิตนี้ดีได้นั่นเอง ไม่น่าเชื่อว่ า, าจิตที่เลวๆตัวนี้จะดีได้เพราะพื้นฐานเพราะคนเราเนี่ยมาจากความความเลวนั่นเนี่ยความไม่ดีต่างๆ น, นั่นจนเห็นคนคนมันเห็นโทษอ่ะถ้าขืนว่ า, าจิตนี้เป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราหาความสุขไม่ได้นะหาเรื่องหาเราให้เรานี่ตลอดเวลาเราคงจะทำความดีได้ยากเหลือเกินทำเท่าไหร่ก็จิตนี้ก็จะดึงไปทำไม่ดีอยู่เลยอุตส่าห์เก็บหอมลอมรอมิบว่า เราก็อยากจะเป็นคนดีคนหนึ่งแต่กิดทำไมไม่ไม่ไม่ไปตามเราเลยมันจะขัดแย้งกันตลอ ด, ลอดไปด้วยกันแต่ทะเลาะกันตลอดและสะงบไม่หลงเราเองก็อยาสกสงบนะแต่มันมันไม่ตามเราเลยมันจะดื้อเราอย่างนั้นรู้เปล่าบอก ปี้อะเลยอย่างนั้นแต่ก็เป็นอย่างนี้ทุกคนแต่จิตเนี่ยฝึกได้ไม่น่าเชื่อว่าจิตเนี่ยฝึกแล้วเนี่ยจะมีสมาธิทั้งวันทั้งคืนเน่ยไม่น่าเชื่อแต่เราต้องเชื่อตรงที่ว่าถ้าเราไปรู้จริงไม่ต้องตั้งสมาธิสมาธิมีตลอดทั้งชีวิตทั้งยี่สสี่ชั่วโมงเลย ทั้งวันทั้งคืนหลับก็มีตื่นก็มีอยู่พุกภาวะจนที่ว่าหารั่วไม่ได้เลยหนึ่งเดียวทุกภาวะตื่นๆเ น, นี่ยแต่จิตไม่มีอารมณ์เพราะรู้แจ้งว่าอารมณ์คือมายาเป็นเป็นของหลงของจิตดวงนี้ที่ไม่รู้มาก่อนนั่นเองเมื่อหายหลงเขาก็เป็นคนดีได้ฉะนั้นอากุศลต่างๆที่มีอยู่เนี่ย ถูกทำลายหมดความเห็นปฏิกูลในร่างกายมากมากมากมากมา ก, มากจนมากคอจนถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยเขาจะคลายความเป็นหญิงเป็นชายนี้ออกเพราะธาตุแท้ตัวเ อ, เองไม่มีอะไรปฏิกูลมากมายแต่ถ้าเราไปเห็นด้วยตาเนี่ยต่อให้เห็นหญิงหรือชายได้ไปเห็นซากศพจะเน่าจะเฟะอย่างไรไม่มีถางชนะไม่ได้ ทำลายธรรมชาตินี้ไม่ได้เลยแม้แต่คุณหมอเราจะเห็นข่าวไม่ดีเยอะแยะไปเลยทำไมไม่เบื่อหน่อยบ้างลุกธรรมชาติอันนี้เช่นวาลาคะเนี่ลยลำพังตาที่เห็นเนี่ยไม่มีทางชนะได้เลยต่อให้เป็นซากศพยังไงก็ไม่ชนะแต่จิตเนี่ยไปเห็นตัวเองเท่านั้นเองขายทันที อยู่ไม่ได้เขาจะยอมขายของเขาเขาเห็นโทษของเขาเองแล้วเขาจะขายของเขาขายออกไปขายขออกไปขายขออกไ ป, ไปความรู้แจ้งกตีขึ้นมาตึนแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นจนชนะจนหมด น, นั่นแหยะจนไม่เหลือว่าหญิงหรือชายจิตนั้นถึงจะหนึ่งเดียวได้ไม่งั้นจิตนี้หนึ่งเดียวไม่ได้ชนะตรงนี้แหละถึงได้หนึ่งเดียวได้ ฉะนั้นคำสอนพระเจ้าดูบอกมุนี้ไม่ละกามทั้งหลายแล้วจะเป็นผู้สงบระงับโดยถ่ายเดียวไม่ได้เลยไม่ได้ชนะตรงนี้แหละถึงได้หนึ่งเดียวได้อันนี้ก็คือว่าหนทางที่เราจะประพฤติปฏิบัติรู้โครงสร้างอย่างนี้รู้ ก, การกระทำอันนี้ว่าทําเพื่ออะไรและจุดหมายเนี่ยเราจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ออกไปทําที่พูดนี้ก็ ให้ให้เข้าใจโครงสร้างทั้งหมดว่าอ๋ออย่างนี้หรือเขาทํากันอย่างนี้หรืออ๋อนี่สมถะนี่พิจารนานี่คือความรู้แจง้งนี่คือผลของความรู้แจง้งจิตนี้ไม่ได้เป็นอย่างนี้ตลอดจิตนี้เป็นมาอย่างนี้แหละแต่ว่าต่อไปฝึก้จะไม่เป็นอย่างนี้จากจิตดวงที่เป็นนั่นเองจิตที่ฝึกมาแล้วนี่กับจิตที่ไม่ได้ฝึกไม่เหมือนกันจิตที่เกเลรนั้นเนี่ย แต่ฝึกกันแล้วเรียบร้อยหมดเลยอย่างไม่น่าเชื่อว่าอุบายนี้ทำให้จิตเนี่ยละวางความเป็นเป็นอันตรภานได้โดยรู้แจ้งในเบญจขันตัวเองเนี่เองทานี้จิตนี้ก็จะแจ้งในตัวเรานี่ตลอดแล้วก็ทิ้งความมืดไปข้างนอกซะเมื่อก่อนเนี่ยเรามันมืดข้างในแต่เราไปแจ้งข้างนอก ถึงได้ความคิดถึงงอกงามแต่ไม่แบหมดเลยเพราะมันมืดข้างในน้องมาดูตัวในมืดหมดเลยแต่ว่ามันไปแจ้งข้างนอกหมดเลยจิตก็เลยอยู่ข้างนอกแต่เราเพียรเอาจิตตรงเนี้พยายามมาอยู่ในร่างกายแล้วทําให้แจ้งทีนี้มันกลับกันสิแจ้งข้างในกลับมืดข้างนอกเท่านั้นเองจิตนี้จะไม่มีอารมณ์เลยถึงจะขาดจากอารมณ์ได้กลับกัน กลับจิตตรงนี้ให้กลับให้หมดเลยไม่ให้อยู่ตรงตรงนั้นเราถึงจะชนะอารมณ์ได้แจ้งแต่ตัวเองทั้งวันแต่ไม่แจ้งทั้งอื่นเสแล้วทีนี้อารมณ์ก็ไม่ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็กลายเป็นผู้ที่ชนะอารมณ์โดยเด็ดขาดคือแจ้งสว่างสวายอยู่ทุกตัวเดียวตัวคนเดียวนั่นแหละคือความรู้แจ้งในตนว่าไม่มีอะไรในใ น, ในเบญจขันธ์อันนี้ อันนี้เราก็ไปทำแล้วนะก็ไปทำกันคือความจริงก็รวบรัดเอาตามเวลาว่าเนี่ยเราทำไปอย่างนี้แหละเดี๋ยวผลก็เกิดขึ้นแต่ช้ามากขอบอกก่อนว่าไม่ใช่ธรรมดายากมากที่สุดชนะใจเลยลองไปนั่งมองเอสมมติว่าเรามองเล็บเนี่ยจิตมองเล็บที่หลวงพ่อสนองเทศอะ บอกสามเดือนเนี่ไม่เป็นเล็บเลยมันเลอะไปหมดมันไม่ค่อยเป็นนยมันยากจริงๆรนะเห็นตัวนี่เราไปนั่งมองเอะบอกหลวงพ่อบอกมองเนี่ยมองมาหลายวันนะไม่เห็นโอ้คานวณไม่ได้เลยวันนี้สามปีจะเห็นหรือเปล่ายังไม่ทราบทำทั้งวันทั้งคื น, นพูดอย่างนี้ก็ท้อใจว่าโอ้ทำไมอย่างนั้นมันยากมันเหนียวแน่นแต่เราก็เราก็กัดไม่ปล่อยแล้วงั้นเถอะ กัดไม่ปล่อยสู้อย่างเดียวไม่เห็นไม่ยอมไม่เห็นไม่ยอมเอาให้แจ้งให้ได้ความเพียรสู้อย่างเดียวทุกเวลาทุกนาทีทุกทั้งชีวิตสู้เข้าไปเดี๋ยวมันทนต่อเราไม่ได้หรอกทนต่อความการสู้ไม่ได้คนที่มีเพียรนั้ทะลุทะลวงหมดเดี๋ยวก็แจ้งที่ปีช่างทําทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืน แทบจะไม่ได้หยุดย่อนเลยเว้นแต่หลับหลับก็น้อยที่สุดเท่าที่หลับได้เพราะหลับมากก็จะรั่วจิตก็จะรั่วไปเพราะว่าช่วงหลับนั้นเราปล่อยไปแล้วลืมตัวจิตมันก็รั่วไหลการรั่วไหลของจิตเนี่ยก็ช้าต่อการที่จะรู้แจ้งเพราะจิตมันออกข้างนอกเท่าไหร่มันก็ไม่รู้แจ้งข้างในเท่านั้นแต่เราต้องปุดข้างนอกให้หมดแล้วก็ไปแจ้งข้างในเพื่อจะเก็บอารมณ์ทั้งหมดไม่ให้มีตลองคิดดูซิว่าความเพียรตรงนี้จะทํำยังไง ไม่ใช่ว่าอาทาสมาธินะแล้วก็แล้วไปมันน้อยได้เท่าไหร่ละก็ได้เท่านั้นเลยบอกไม่ถูกว่าได้เท่าไหร่แต่ว่าต้องทำอย่างนี้ก่อนเพราะว่าคนมูมากจะต้องเป็นพิธีกรรมไปก่อนแต่นอกนั้น เ, นเป็นเวลาที่่วนตัวหมดเลยแต่ว่าคนที่ทศรัทธาที่เห็นโทษตรงนี้มากๆกก็คือนักบวชคือพระ ไม่ไหวล้อยู่ไม่ไหวแล้วอยู่ย่างนี้สู้ไม่ได้เนะ่บวชอย่างเดียวบวชก็ทุ่มตรงนี้ทุ่มตรงนี้ทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวก็รู้เพราะคารวาสมาทำยากตรงที่ไม่มีเวลาเขาจะเอาเวลาที่ไหนไปทำนอกจากมาบวชนี่ไม่กี่วันแต่ไม่เป็นไรแล้วก็ทาไปก่อนตามบรารมีของใครมันเห็นโทษมากก็เดี๋ยวก็สแสวงหาทางเองถ้า ง, งั้นก็พระก็บวชมาแล้วก็เขาไม่จาเป็นต้องบวชพระก็ได้เนยะ ไม่ได้เพราะว่าเพศพระเนี่ยมาสู้ตรงนี้โดยเปะสู้ทั้งวันทั้งคืนจนชนะไปขรัง้งนึงชนะไม่ได้ก็เป็นบารมีไปเป็นบารมีติดตัวไปพบไหนชาติไหนเกิดมาสู้ต่อสาลต่องานที่ค้างไว้เขาเรียกว่าบารมีงานที่ค้างไว้นั่นเนี่ยคือบารมีติดตัวถ้าเราไม่เริ่มอย่นี้นะเราก็บ่นด้วยเองเราไม่มีบารมี บารมีที่ไหนเราไม่ได้แข่งข้างไปเลยไม่ได้ทำไ้ทำมันน้อยน้อยแต่ไม่เป็นไรอันนี้ก็เราก็เพียรทำไปเพียรทำไปเรื่อยๆอันนี้พูดให้ฟังว่า อ, อ๋อวัน่นี้หรือจิตนี้ไม่ได้อย่างนี้ตลอดนะทุกจริงทุกกับความเพียรทุกแต่ทุกนั้นมีความหวังที่จะสุข ข, ข้างหน้า แต่เราทุกข์ที่ทนต่อความปรุงแต่งเนี่ยทนได้เราไม่รู้อะไรเลยเนี่ยทนทนทนทนทุกข์แต่ไม่มีหวังเลยข้างหน้าเราว่าจะชนะอย่างไรแต่ทุกข์ในความเพียรเนี่ยทุกข์แต่เขารู้ดูแล้วว่าวันหนึ่งเราไม่ต้องมีความหวังเพราะความหวังตรงนั้นเขาเห็นอยู่เขามีความหวังในใจอยู่แต่เพียรแต่ความหวังตรงนั้นยังไม่สําเร็จแต่เขาก็มุ่งไปอยู่อันนั้นหวังได้ ต้องรู้ด้วยนะว่าความปุงแต่งเนี่ยสาเหตุมาจากไหนเราจะดับได้อย่างไรขบวนการทั้งหมดมาจากอะไรล่ะเขาเรียกว่ารู้อริยสัจธรรมทั้งสี่ประกาศรู้ทุกผู้เหตุของทุกรู้การดับทุกแล้วรู้ปฏิปทาที่ออกจากทุกตรงนั้นว่าเดินทางอย่างไรถึงจะทําให้ชนะตรงนี้ได้แล้วก็ชนะได้ชนะแล้วไม่ต้องทําความเพียรหรอกมัต้องทำเทำสวยผลอย่างเดียว ไม่ทําแล้วจะกลับเริ่มไปสู่จุดเดิมหรือรู้จะจิตจะเป็นเหมือนเก่าไม่เป็นไม่เป็นจิตไม่ไปแล้วไล่ไปก็ไม่ไปอันนี้คือว่าไม่มีอะไรนอกจากเพียนเข้าใจตรงนี้ก็ไปทำเอาของใครก็ของมันแหละเราสร้างเราก่อเราแก้ใครเพาะแบ่งให้ใครก็ไม่ได้จะแบ่งให้ใครยังไงใจของใครของมันถ้าแบ่งได้วุฒิเจ้าคงจะแบ่งให้แล้ว ยิ่งทําไปยิ่งทุกข์มากยิ่งทําไปยิ่งทุกข์มากทุกข์มากกับความปรุงแต่งยิ่งละเอียดเท่าไหร่นี่เหมือนมีดเสียบปกเจ็บแสบเจบ็บปวดกวับความปรุงแต่งมันไม่มีอะไรดีเลยปรุงแต่งดีก็ทุกข์ไม่ดีก็ทุกข์้นชื่อว่าปรุงแต่งทุกข์หมดเลยที่แรกอาจจะเห็นว่าปรุงแต่งดีเนี่ยเออรู้สึกสุขหน่อยแต่นานเข้าไปนานเข้าไปนานสมาธิมันมากขึ้นมากขึ้นอกปรุงแต่งนี้หมดเลยเมาหมดเลยไม่ดีสักอย่าง ชนะความบุ๋งแต่งทั้งหมดทั้งดีและชั่วนั่นแหละสงบระ ง, งับแท้มีความสุขถ่ายเดียวจิตก็จะสว่างสวัยรุ่งเรืองอยู่งั้นแหละแจ้งนั่นแหละรู้แจ้งองนั้นเลยมืดข้างนอกหมดเลยจะแจ้งข้างหนกลับกันจิตไม่อยู่แล้วข้างนอกกายไปทิ้งความมืดไปซะคือไม่มีอารมณ์นั้นเองชนะอารมณ์เข้าใจไหมเข้าใจแต่ทําไม่ได้ทําไม่ได้ไม่เป็นไร แต่รู้ว่าจะทำอย่างไรก็ยังดีกว่าอันนี้ก็คือว่าเราจะเป็นจะต้องสู้ซะแล้วต้องสู้ต้องต่อสู้กับอารมณ์ต่างๆถึงจะเป็นผู้ชนะได้ถ้าไม่งั้นเราก็ชนะไม่ได้ชนะไม่ได้ก็เราคิดหรือว่าจะเอาความสุขอะไรจากจิต ต, ตรงนี้ล่ะมันวันเถียงกันอย่างเดียวตื่นมาก็ทะเลาะ ก, กันแล้วหลับไปก็ทะเลาะ ก, กัน มันก็จะไปทางเขาเราก็จะไปทางทางความดีฉะนั้นความดีเราทําได้ยากจริงๆเพราะจิตนี้ไม่ร่วมกับมือกับเราเลยคอยจะบัทอนซะด้วยคือจิตไม่หย่อมจิตจะชั่วอย่างเดียวจะไปแต่ทางไม่ดีนะง่ายแต่ทําความดีเนี่ยโหมันไม่ย่อมเราก็ทุกซีจิตมันไม่หยอ่อนอันนี้ก็คือว่า แนวทางประพฤติปฏิบัติที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติคือจุดมุ่งหมายหรือว่าจิตเป้าหมายที่สูงสุดคือชนะอารมณ์ทำยังไงละทำยังไงเราจะชนะอารมณ์ให้ได้เราคงจะมีความสุขแล้วในโลกนี้ชนะขาดเลยชนะน้อยเดี๋ยวก็ไม่เอาลำาขานเดี๋ยวมาเจะจ็บเจ็บมาเจะจ็บเจ็ บ, จ บ, จบเบื่อนายขาดให้ขาดไปเลยความเพียรเท่านั้นเอง ขาดแล้วไม่มีไม่มีอารมณ์ไม่มีเชื้อแห่ ง, ห ง, หงที่จะเป็นอารมณ์ราคาโทสะถูกทำลายความเป็นหญิงเป็นชายถูกทำลายเพราะความไปเห็นว่าไม่มีอะไรจิตนั่นแหละไม่เห็นเองเขาก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาเองเขาถึงจะเป็นจิตที่ดีได้เราเราในที่นี้ก็คือสติเรานะพาไปดูอย่างเดียวและความรู้แจ้งก็ฝากไว้ที่เขาเราถึงจะชนะทั้งหมดได้ อันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาเนาะข อ, ขอทุกคนเก็บไปนำไปพินิษพิจารณาตามฐานะสมควรอินทรีย์บารมีแก่ตนแก่ตนจนถึงความรู้แจ้งในมรรคผลนิพพานหรือว่าคำสอนพระเจ้าใ น, ในที่สุดคือดับทุกข์ดับกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหมดเนี่ยสิ้นอาสวะเป็นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรในโลกทุกคนทุกท่านเทอ